hmm <sweak> เด็กนักเรียนคนหนึ่งอายุสิบขวบนะชื่อต้องวันหนึ่งกลับบ้านนั่งรถลงเรียนขณะที่ยืนอยู่ข้างๆนี่ก็มีเด็กตัวเล็กๆนะเป็นผู้หญิงถูกรุ่นพี่ที่นั่งติด ก, กันนี่รังแก เ, เด็ก รุ่นพี่ที่รังแกนี่ก็ประมาณสักสิบขวบนะพอๆก็ต้องเนี่ยเด็กหญิงก็พยายามขอร้องนะแต่ว่าเด็กรุ่นพี่นี่ก็ยังก่อกรงรางควานนะก็เศร้าย้อยใหญ่หนักมากนะเด็กผู้หญิงก็ทําท่าจะร้องไห้ให้รุ่นพี่ก็ยังไม่เลิกต้องเนี่ยซึ่งยืนอยู่ข้างๆเนี่ย ก็เกิดความมึนงขึ้นมาสุดท้ายก็อดทนทนไม่ได้ก็ก็เอามือเนี่ยนะตบหัวใ ห, ให้เด็กรุ่นพี่เนี่ยซึ่งก็อยู่ในวัยเดียวกับตัวเนี่ยตบอย่างแรงเลยจนกระทั่งเด็กคนนั้นร้องไห้เลยนะต้องก็รู้สึกผิดนะพอกลับไปถึงบ้านนี่ก็หน้าตาก็ ไม่ค่อยมีอารมณ์กินข้าวก็ไม่พูดไม่คุยกับแม่แม่เนี่ยปกติก็สังเกตว่านี่ปกติต้องชอบคุยนะวันนี้ทำไมเงียบไป <c oughs> ก็เลยพยายามซักไซส์ว่าเกิดอะไรขึ้นซักไปซักมาสุดท้ายต้องก็ยอมพูดนะว่าเนี่ยแม่เนี่ย ต้องไม่เชื่อเลยนะว่าไอ้มือข้างนี้เนี่ยนะมันจะไปตบเด็กจนร้องไห้ได้อันนี้น่าสังเกตนะเด็กเนี่ยแทนที่จะพูดว่าเนี่ยไม่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าหนูเนี่ยจะไปตบเด็กได้หรือว่าผมจะไปตบเด็กได้กับบอกว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าไอ้มือข้างนี้นี่มันจะตบเด็กจนร้องไห้ได้แล้วก็น่าคิดนะทำไมต้องก็พูด ใช้คำพูดแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากจะยอมรับตรงๆว่าเนี่ยตัวเองไปตบหัวเด็กก็เลยคล้คายๆว่าโยนความผิดไปให้มือเนี้ยไอ้มือข้างเนี้ยนะพูดอย่างนี้เพื่อจะได้ให้แม่เนี่ยเห็นใจนะแม่จะได้ไม่ว่าต้องนะให้การที่โยนความผิดไปให้มือนะ แทนที่จะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไปตบเด็กเนี่ยมันอาจจะเป็นอุบายของเด็กนะเด็กก็พยายามที่จะหาทางแก้ตัวให้พ้นผิดก็โยนความผิดไปให้มือนะแทนที่จะยอมรับผิดว่าตัวเองตบแต่ว่ามันก็ดูดีๆมันก็ซ่อนในยะที่สำคัญนะเกี่ยวกับความจริงที่พูะาจ้าได้สอนเนี่ย ความจริงอันนี้นก็คือเรื่องอนัตตาว่าไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่มีตัวเรานะไอตัวเรานี่มันเป็นคําสมมุตินะตัวฉันนี่เป็นคําสมมุติเช่นเดียวคําว่าของฉันนี่ก็เป็นการสมมุติไอของฉันเนี่ยก็เห็นได้ง่ายนะว่ามันเป็นเรื่องสมมุติเพราะว่าถ้ามีคนอ่า ถ้าของหายมันก็ตกไปเป็นของคนอื่นหรือว่าพอมีคนมายึดเอาไปมันก็ตกเป็นของธนาคารนะตกเป็นของหลวงไอ้ความเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็หมดไปไม่มีเงินก็เอารถนะไปไปขายนะเพื่อใช้หนี้ไอ้ความเป็นเจ้าของก็หมดไป ของกูเนี่ยมันเห็นได้ง่ายว่ามันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าตัวกูเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสมมุตินี่ก็เป็นเรื่องยากนะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ติดยึดกันมาตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่รู้ความเลยก็ว่าได้แต่จริงๆเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ย มันก็พอจะเห็นได้ไม่ยากนะอย่างเช่นถ้าเราจะลองชี้มาว่าตรงไหนเนี่ยตัวกูอยู่ไหนตัวฉันอยู่ไหนไหนลองชีส้สิถ้าชี้ไม่ว่าชี้ตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวกูทั้งนั้นถ้าชี้ไปที่หัวนะอันนั้นก็คือหัวไม่ใช่กูไม่ใช่เรา ถ้าชี้มาที่หน้าอกนั่นคือหน้าอกนะนั่นไม่ใช่เราถ้าชี้มาที่แขนที่ขาอันนั้นก็เป็นแขนหรือขาไม่ใช่เราไอตัวเราเนี่ยถ้าดูไปจริงๆหาไม่เจอนะชี้ตรงไหนมันก็ไม่ใช่กูทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่เราถ้าไม่ใช่แขนไม่ใช่ขาไม่ใช่หูไม่ใช่ลำตัวก็เป็นหน้าอกหรือเป็นตา แล้วตัวกูอยู่ไหนมันก็ไม่มีนะมันมีแต่ตาหูจมูกนะแขนขาซึ่งเรียกรวมๆทั้งหมดว่าตัวเราแต่ที่จริงหัวเนี่ยนะดูจริงๆมันก็ไม่มีจริงนะชี้ไปที่หัวซิมันก็เป็นหน้าผาอเอาชี้ใหม่ซ้ว่าตรงไหนเป็นหัวอ้าวมันกลายเป็นหูไปซะละ เอาชี้ อ, อว่าตรงไหนเป็นหัวนั่นจมูกต่างหาแม้จริงจริงแม้กระทั่งคาว่าหัวก็ไม่มีนะมันก็เป็นคําเรียกรวมของอวัยวะส่วนเล็กๆล็น้อยน้อยนะตั้งแต่ผมหน้าผากตาจมูกปากปากเนี่ยนะตรงไหนเป็นปากลองชี้ไปดิอ้าวไม่ใช่นะอันนั้นผิวหนังลองชี้ไปเถอะนะตรงไหนเป็นปากนี่เอาเครื่องจริงก็หาไม่เจอเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นคําสมมุติ ที่ใช้เรียกส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยู่บริเวณเด้านล่างของของจมูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูไปจริงๆเนี่ยไม่ว่าตัวก็ตัวกก็ดีไม่ว่าศีรษะหรือหัวก็ดีไม่ว่าปากตาหูอันนี้มันก็เป็นแค่คำสมมุติที่ใช้เรียกยจะหาตัวตนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปากไม่ว่าจะเป็นหัวไม่ว่าจะเป็น ตัวเราเนี่ยมันไม่มีเลยนันนี้คือความจริงที่เอาอาจจะเข้าใจได้นะด้วยการใช้เหตุผลด้วยการใช้ความคิดไตรตรองแต่ว่าใจมันยังไม่ยอมรับนะใจมันแต่มันยังยึดว่ามีตัวกูอยู่แม้ว่าจะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เล็ก ฟังเรื่องว่าคันน้าเป็นอนัตตาใจมันก็ยังไม่ยอมรับอย่างที่เคยพูดไ้แล้วว่าเนี่ยฝรั่งเนี่ยซึ่งเขามาเรียนรู้อนัตาตาตอนที่โตแล้วเนี่ยพุทธศาสนาเข้าไปถึงประเทศอย่างยุโรปอเมริกามันก็ไม่เกินร้อยสองร้อยปีฝรั่งหลายคนก็เพิ่งรู้จักพุทธศาสนาตอนที่โตแล้ว เรื่องสมาธินะเรื่องส ต, ติเนี่ยเขายอมรับเขาเห็นด้วยเขาเข้าใจง่ายแล้วก็เห็นประโยชน์นะแต่พอมาที่อินเรื่องอนัตตานี่เขาใจมันต่อต้านนะมันต่อต้านแต่ตัวความคิดลล่ะนะเพราะความคิดของฝรั่งเนี่ยเขาถูกปลูกฝังม า, มาว่ามีตัวกูอย่างเช่นคำสอนที่ทมีชื่อของนักปราชญฝรั่งที่ถือว่าเป็นบิดาของปรัปรชญาสมัยใหม่เนี่ย เด็กกาเนี่ยเขพูดไปเลยเพราะฉันคิดฉันจึงมีอยู่นะคือมันมีตัวตัวฉันนี่มาโดยตลอดแม้กระทั่งปรัชญานี่ก็ยืนยันว่ามันมีตัวกู้ ต, ตัวกูเนี่ยเป็นผู้คิดนะซึ่งที่จริงนะพุทธศาสนาเนี่ยมันมีแต่ความคิดนะแต่มันมีผู้คิดแม้แต่จิตเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งความคิดมามันก็ไม่ใช่เป็นเราจนะเรียกเป็นผู้คิดก็ไม่ได้ อันนี้ก็เป็นคาสอนที่ฝรั่งเข้าใจยากหรือแม้แต่คนไทยนะซึ่งเกิดมานะกับพุทธศาสนาแต่ว่าแรงต่อต้าจะมีน้อยเพราะได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เล็กนะแต่ถามว่าเข้าใจไหมก็อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจผิดผิดให้การเข้าใจผิดนี่มันก็เกิดความเสียหายเหมือนกันนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าใจผิดได้เยอะอย่างเช่นมี สามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยก็เป็นคนที่ไฝ่บุญนะชอบเข้าวัดทรรมบุญศีลก็รักษาตอนหลังเนี่ยก็ไปฟังคำสอนเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตานะความไม่มีตัวตนความว่างก็ไม่รู้ว่าไปไปเรียนอีท่าไหนนะตอนหลังเนี่ยก็เลิกให้ทานเลิกรักษาศีลด้วยผลว่า นะทําดีไปมันก็ไม่ไม่มีผู้รับนะมันไม่มีตัวฉันเป็นผู้รับอ น, นิสงฆ์แห่งความดีนั้นก็เลยไม่ทํำซะเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าแทนที่จะเข้าใจธรรมะกับถลายไปสู่มิจฉาทิฏฐิให้ความเข้าใจเรื่องอนัตตาเนี่ยถ้าเข้าใจผิดนี่มันก็คาดเคลื่อนไปสู่มิจฉาทิฐิได้นะความดีก็ไม่ทาเพราะว่าไม่มีผู้รับผลนะ ถ้าไม่เชื่อว่าถ้าถ้าเห็นว่าความดีทำไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีผู้รับผลนะก็ไม่ควรจะกินอาหารไม่ควรจะกินข้าวด้วยเพราะว่ากินไปทำไมมันไม่มีผู้รับผลแต่เราก็รู้ใช่ั้ยว่าการกินข้าวเนี่ยมันย่อมเกิดผลการกินอาหารย่อมเกิดผลกลับร่างกายนี้ถ้ากินอาหารที่ดีนะสุขภาพของกายก็ดีด้วยถ้าไม่กินอาหารหรือกินอาหารที่เลวนะ ร่างกายก็เกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาแถมกินบางอย่างนี่มันไม่ได้เกิดปัญหากับร่างกายนะแต่มันยังมีผลร้ายต่อจิตใจเช่นกินเหล้านะหรือว่ากินยาเสพติดยาหลอนประสาทเนี่ยทำไมาเรายังกินข้าวอยู่แม้ว่าเราแม้ว่าความจริงก็คือมันไม่มีตัวกูเป็นผู้รับผลแต่เรากินข้าวก็เพราะว่า ข้าวเนี่ยมันมีผลดีต่อร่างกายผลของข้าวเนี่ยมันไม่สูญหายมันไม่สูญเปล่ามันไม่กลายเป็นความว่างมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงแต่ว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะทําความดีก็เหมือนกันนะความดีก็มีผลดีต่อจิตใจอันนี้ไม่มีทางเป็นอื่นได้เพียงแต่ว่าใจนั้นมันไม่ใช่เราที่ครูบาอาจารบอกว่าไม่มีผู้รับผลเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าไม่เกิดผลเลยนะผลมันเกิดแต่มันไม่ได้เกิดกับตัวกูมันเกิดกับกายกับใจซึ่งกายกับใจนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูนะคนที่บอกว่าฉันไม่ทําบุญทําทานไม่รับสารศีลแล้วเพราะว่าไม่มีตัวกูผู้รับผลเนี่ยถ้าคิดแบบ น, นั้นจริงก็ควรจะเลิกกินข้าวไปด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีกูผู้รับผลแห่งข้าวที่กินอาหารที่รับเข้าไปแต่เราก็รู้ด้วย สามารถสำนึกว่าข้าวที่กินเนี่ยมันมีผลดีต่อร่างกายเป็นแต่ว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่กูไม่ใช่ตัวฉันแค่นั้นเองอันที่เขาทครูอาจารย์สอนครูบาอาจารย์สอนไม่มีตัวกูผู้รับผลก็คืออันนี้แหละมันมีผลแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ว่ากับกายกับใจนะ น, นั้นไม่ใช่เรียกว่าตัวกูนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผู้รับผลนั้นถ้าเข้าใจเรื่อง อ, อนัตตายางถูกต้องเนี่ยนะ ก็ยังทำความดีนะทานก็ยังให้เสียงก็ยังรักษาแล้วถึงแม้จะไม่ทําเพื่อตนเองนะแต่ก็ยังทําเพื่อประโยชน์ผู้อื่นให้ทานเนี่ยก็อาจก็อาจจะไม่ได้ทำเพื่อหวังผลดีกับตัวเองนะแต่ว่าเพื่อประโยชน์กับผู้อื่นเช่นเพื่อบํารุงศาสนานะเพื่อช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเร่น ม, มีเหตุผลมากมายนะที่ เราควรทำความดีแม้จะรู้ว่ามันไม่มีตัวกูกผู้รับผลนะแต่ว่าความดีที่ทำไม่เคยสูญเปล่าะมีผลดีเกิกับคนอื่นมีผลดีกับกายและใจนี่ถ้าเข้าใจเรื่องอนัตตาเนี่ยนะจริงๆแล้วก็จะทำให้มันไม่มีผู้ทุกข์เลยด้วยซ้ำนะนั้นก็มีความทุกข์เกิดขึ้นนะตามภาษาโลกนะ ่เช่นยังต้องมีความเจ็บความป่วยยังต้องมีความปวดความเมื่อยนะแต่ว่ามันไม่มีตัวกูเนี่ยเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะเป็นผู้แก่ที่จริงเนี่ยถ้าย้อนกลับมาที่าคาพูดของตองเนี่ยนะว่าไอ้มือเนี่ยนะนะไม่น่าเชื่อเลยนะมือเนี่ยมันไปตบหัวเด็กนะจนร้องไห้เนี่ย แม้ว่ามันจะเป็นอุบายของเด็กนะเพื่อที่จะโทษความผิดไปให้มือแทนที่จะยอมรับผิดว่าเออฉันตบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามมองหรือพยายามสอนใจตัวเราอยเสมอเนะาะไอ้มือนี่ไม่ใช่เราเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะนะเวลาปวดหัวปวดมือปวดเท้าเนี่ยออลองลองนึกบ้างว่าเออมันปวด หัวปวดท้องปวดมือแต่ไม่ใช่เราปวดปกติเนี่ยคนเราเนี่ยพอมันปวดตรงไหนเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกว่ามันปวดตรงนั้นนะหรือว่ารู้สึกว่ามือปวดแขนปวดนั้นแต่มันมีความรู้สึกว่ากูปวดกูปวดแทนที่จะเห็นว่าความปวดเป็นเกิดขึ้นที่มือที่เท้านะที่ร่างกายก็ไปยึดว่าเป็นกูปวดผลที่ตามมาคือว่าแทนที่จะ ปวดแต่กายนะใจก็ปวดด้วยเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาปวดกายเนี่ยมันไม่ได้ปวดกายล้วนๆนะมันใจก็ปวดเวลาปวดเวลาเมื่อยนะส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่กายปวดหรือกายทุกข์เท่านั้นนะใจก็ทุกข์ด้วยไม่มีไม่มีใครนะน้อยคนมากนะที่จะปวดอย่างเดียวคือ ปวดแขนปวดขาหรือปวดกายโดยที่ใจไม่ปวดแต่ถ้าเรามองเห็นความจริงว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรามันไม่มีเรานะไอ้ที่ปวดนี่มันเป็นแค่กายปวดนะแขนปวดอันนี้มันก็จะช่วยบรรเทาความทุกข์ไปได้เยอะนะอาจารย์พุทธท่านเคยกล่าวว่าเนี่ยเวลามีดบาดมือเนี่ยนะหรือมีดบาดนิ้วเนี่ยคนที่คิดว่าหรือรู้สึกว่ามีดบาดนิ้วเนี่ย หรือมีดบาดมือเนี่ยจะรู้สึกปวดน้อยกว่าคนที่รู้สึกว่าหรือคิดว่ามีดบาดกูมีดบาดกูเนี่ยปวดมากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปวดที่นิ้วไม่ใช่ปวดที่มือนะใจมันปวดด้วยมันไม่ใช่แค่ปวดกายอย่างเดียวอันนี้ก็เรียกเป็นการซ้ําเติมตัวเองแบบหนึ่งก็ว่าได้นะคือทุกอย่างเดียวก็พอแรงแล้วทําไมต้องไปทุกสองอย่างนะคือทุกทั้งกายทุกทั้งใจ ถึงแม้ว่าคนเราเนี่ยจะยังเพิกถอนในความยึดมั่นสาคัญหมายในในในตัวกูไม่ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยก็พยายามใช้ตัวกูนี่ให้เป็นประโยชน์นะอย่าพิ่งไปปฏิเสธอย่าเพิ่งไปละทิ้งอย่าพิ่งไปปฏิเสว่ามไม่มีการปฏิเสว่ามไม่มีบางทีมันอาจจะพาไปนําไปสู่การกระทําที่ผิดพลาดเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างตัวอย่างาผัวเมียคู่นั้นก็ได้เออเมื่อเรายัง ไม่มีปัญญาอะไรเห็นชัดด้วยความจริงเห็นชัดอย่างแจ่มแจ้งว่าตัวกูไม่มีอยู่จริงยังไม่เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องอนัตตายังมีความยึดติดในเรื่องตัวกูก็พยายามใช้ตัวกูนั้นให้เป็นประโยชน์เช่นเวลาทําชั่วก็นึกลองนึกว่าเออถ้าเขาจับได้ถ้าเกิดเขารู้เนี่ยเราจะเสียหน้านะให้ความกลัวเสียหน้านะเลยไม่ทําความชั่ว นะหรือไม่ทำสิ่งที่มันหน้ามันไม่เหมาะสมนี่อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะหรือว่าเวลาทำความเพี้ยนนะมันท้อแท้ท้อถอยแต่เห็นคนแก่เขาทำความเพี้ยนมากเหลือเกินนะมันก็ทำให้เกิดมันมีความคิดเกิดขึ้นมาเอ้ยเขาทำได้เราก็ต้องทำได้สีไอความคิดแบบนี้ก็ทำให้เกิดความ เพียรพยายามไม่ท้อถอยเกิดการฮึดสู้ขึ้นมาอาคิดแบบนี้ก็ดีนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความคิดที่ยังผูกพันกับตัวตนอยู่นะมันเป็นมานาชนิดหนึ่งนะการเปรียบเทียบว่าเขาทําได้เราก็ต้องทําได้สิเขาแกนะ่เขายังปฏิบัตินะทั้งวันเขายังทําความเพียรข้ามคืนได้ไอเรานี่หนุ่มไอเรานี่สาวไอเรานี่เป็นพระทำไมจะทำไม่ได้ แล้วก็มีมือมีเท้าเหมือนกันไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการปรับลบตนนะแต่ป ร, รบลแล้วเนี่ยหรือว่าเอาตัวกลัขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะได้เกิดกำลังใจหรือเกิดเรี่ยวแรงในการทำความเพียร น, นะบางคนเนะ่เวลาทำวัดเนี่ยสวดมนต์ฟังธรรมก็จะหลับท่าเดียวนะพอเห็นโยมเขาเขาตาสว่างก็ตื่นเขาฟังธรรมเขาอ่า ตั้งใจฟังเออก็เกิดความสเฮ้ยเราเป็นพระเราบวชมานานทําไมเราใจยอมแพ้ต่อนิวรณ์นะก็ต้องพยายามทําความเพียรทําใจให้มันตื่นขึ้นมาไอ้แบบนี้ก็เป็นการป ร, รบตนหรือว่าการเอาตัวกู้ขึ้นมามาใช้เป็นประโยชน์นะก็คือว่าเราจะต้องไม่แพ้คนอื่นอันนี้ก็เป็นถ้ว่ไปมันก็เป็นกินเลส น, นะคือมานะแต่ว่าเอามาใช้เพื่อการ ทำความดีเพื่อการพัฒนาตนอันนี้คือสิ่งที่เราควรทำนะตามใดที่ยังมีความยังเพิกถอนไอความสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวกลัไม่ได้เนี่ยก็ใช้ตัวกลัวเป็นประโยชน์จริงงคำสอนพระเจ้าหลายส่วนนก็ก็เป็นการนะพูดถึงตัวตนสเสยอะนะเช่ น, นที่เราคุ้นเคยกันตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน บางคนสงสัยพระเจ้าสอนเรื่องนัตตาต่ทำไมมีประโยคแบบนี้ออกมาอันนี้พระเจ้าพูดเนี่ยกับคนที่ยังมีความยึดในตัวตนอยู่หรือยังมีความเชื่อในตัวตนอยู่คำสอนพระเจ้านี่มีหลายระดับนะนะระดับที่เป็นาสามัญสาหรับคนทั่วไปนะซึ่งยังมีความเชื่อมีตัวตนพระเจ้าก็สอนอนี่แหละนะให้รู้จักพึ่งตนเองอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งห่งตน เราก็สอนให้รู้จักฝึกตนเอาไว้นะถ้าฝึกตนจริงๆฝึกตนอย่างถูกต้องนะมันก็จะเห็นแล้นะว่ามัน ม, มีตัวตนเอาแค่เจริญสติเนี่ยแค่เจริญสติทําความรู้สึกตัวเนี่ยทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเมื่อไหร่นะไอ้ตัวกูจะหายไปนะแต่ทุกครั้งที่เราหลงตัวเมื่อไหร่นะไอ้ตัวกูก็จะโผล่อันนี้ดูประหลาดนะมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูก็หายไป แต่ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่นะตัวกูก็โผลืมตัวตัวก็น่าจะหายไปนะแต่ไม่ใช่นะยิ่งลืมตัวตัวกูก็โผขึ้นมาเพราะตอนนั้นไม่มีสติตอนนั้นมีความหลงนะมันก็ปรุงตัวกูขึ้นมาเพราะตัวกูมันเป็สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นมายางั้นเพียงแค่เราเจริญสติเนี่ยนะทำความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ใจเนี่ยมันมันคลายความยึดติดในตัวกูได้ทีละน้อยทีละน้อยนะ ทำควาสึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูก็หายเดินยางมีสติเมื่อไหร่นะมันก็จะเกิดไอความคิดว่ากูเดินมันก็จะหายไปมันจะมีแต่ความมันก็จะมีแต่เห็นว่ากายเนี่ยหรือรูปเนี่ยมันเดินเวลากโกรธนะเวลาหงุดหงิดเวลาฟุ้งซ่านนถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่นะมันไม่ใช่แค่ไหลไปตามความพิษอย่างเดียวนะ มันจะมีแต่ตัวกูเนี่ยเพ่นผ่านอยู่ในความคิดนั้นตลอดเลยลองสังเกตดูนะเวลาเราฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านแต่เรื่องตัวกูของกูเท่านั้นแหละแต่พอมีสติ ป, ปุ๊บเนี่ยนะไอ้ความไอ้ความยึดว่ามีตัวกูเนี่ยมันก็จะบรรเทาลงมันจะเห็นเลยนะว่ามันไม่ใช่เราโกรธมันไม่ใช่เราคิดเพราะมันเห็นแต่ความคิดเกิดขึ้นมันเห็นแต่ความโกรธเกิดขึ้น มันไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่ไม่ใช่ความโกรธเป็นของร้อมไม่ใช่เราคิดหรือความคิดเป็นของเราการเห็นเนี่ยนะช่วยให้ไม่เข้าไปเป็นนะอันนี้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อคำแก่นท่านก็สอนเห็นเมื่อไหรเนี่ยมันก็ไม่เข้าไปเป็นก็หมายความว่ามันไม่มีตัวกูนะเป็นผู้โกรธเป็นผู้คิดหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยมันจะเห็นแต่ความปวดความเมื่อยความโกรธเกิดขึ้น ว่ามันเป็นสภาวะหนึ่งในการเห็นแบบนี้แหละนี่ที่ช่วยมันที่ช่วยทำให้ถอนให้ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราหรือความยึดในตัวกูของกูมันไม่ต้องวิตกว่โอกมันเป็นเรื่องที่เรื่องอนัตตาเป็นเรื่องที่จะเข้าถึงยากบุตุชนอย่างเราจะเข้าไปเห็นมันได้อย่างไรก็ทำได้นะด้วยการ ด้วยการฝึกตนนี่แหละนะแต่ว่าไม่ได้ฝึกตนด้วยการให้ทานรักษาศีลแต่ฝึกตนด้วยการเจริญสติบําเพ็ญภาวนามันทําความสึกตัวอยู่เสมอนะแล้วตัวกูก็จะหายไปแต่ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่นะตัวกูมันก็จะโผล่ขึ้นมาเต็มที่เลยแล้วก็จะดึงเอาจิตเอาใจเอากายนี้ใจนี้นะไปทําอะไรต่างๆมากมาย อาจจะไปทําชั่วก็ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นก็ได้หรือไม่ก็ไปแบกความทุกข์มาซ้ําเติมตัวเองฉั้นพยายามนะพยายามเข้าใจนะเข้าใจเรื่องตัวกูวงกูเรื่องอนัตตาให้ดีแล้วขณะเดียวกันก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปหลงประมาทว่าโอ้ฉันเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วเรื่องอนัตตาดีแล้วเพราะบางทีเนี่ย คนที่คิดประเตยเข้าใจเรื่องอนัตตาเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยกับยึดติดถือมั่นหนักขึ้นนะคือไปยึดติดถือมันม่ Hank, <Inf a. S 1> ใน ic, ในในความคิดเรื่องอนัตตาพอยึดติดถือมั่นในความคิดเรื่องอนัตตาแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวตนอย่างหนึ่งนะยึดติดว่าเนี่ยเป็นความคิดของกูนะมันไม่ได้เห็นความจริงอย่างแท้จริงนะแต่เป็นการยึดติดบางคนเนี่ยนะเชื่อในเรื่องอนัตตามากนะพยายามชี้พยายามสอน พอเจอคนที่เขาไม่เห็นด้วยเจอคนที่เขาเห็นเขาเห็นแยง้งก็เกิดการทะเลาะเบาแวงขึ้นมาตอนแรกก็ถกเถียงกันก่อนจากถกเถียงก็เป็นการโต้เถียงจากโต้เถียงก็กลายเป็นการทะเลาะกันเลยจริงๆถ้าเชื่อเรื่องถ้าเข้าใจเรื่องอนัตตาเนี่ยมันทะเลาะกันไม่ได้นะเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์ในการที่จะทะเลาะกันไอ้ที่ทะเลาะเพราะมัมีความยึดติดถือมั่นในความคิดของตัวแล้วถ้ายึดติดในความเพียงตัวเนี่ยจะเข้าใจเรื่องอนัตตาได้ยอย่างไรนะ แล้วคนที่ติดถือมั่นในเรื่องอนัตตาเนี่ยพอคนไม่เห็นด้วยก็โกรธก็ไม่พอใจมันมีความสุขกูกูไม่พอใจเกิดขึ้ น, ม, นมีความสวขกูโกรธเกิดขึ้นอันนี้ก็แสดงว่ายังมีความยึดติดในตัวกูของกูอยู่มากถึงแม้ว่าไอ้ที่พูดไปจะเป็นเรื่องอนัตตาร้อนๆจะเป็นเรื่องสุญญตาแต่พอคนไม่เห็นด้วยนี่โอ้โโกรธโมโหเนี่ยแสดงความยึดติดถือมัน่นคล้ายๆกับคล้ายๆกับ พ่อนะคนหนึ่งนะแกได้ข่าวว่ามีครูมารายงานว่าลูกเนี่ยไปต่อยเพื่อนนะไปต่อยเพื่อนจนหน้าแตกต้องเย็บหลายเข็มพ่อนี่ก็เป็นห่วงลูกแล้วก็ไม่พอใจลูกด้วยเขเรียกลูกมามาตําหนินะว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นนะลูกก็บอกว่าเขาดา่าเขาด่าผมเขาดูถูกผมนะ ผมก็เลยต่อยเขาพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยเราต้องใช้สันติวิธีเราต้องแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแต่ลูกก็ไม่ยอมฟังลูกก็ไม่ยอมอไม่ยอมรับลูกก็บอกเนี่ยมันมันด่าผมมันพูดจานะหยาบคายเนี่ ย, ยจะสันติวิธีได้ยังไงพ่อบอกนั่นแหละยังไงก็ต้องสันติเอาไว้นะเพราะว่าใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่แก้ปัญหา ก็เขาด่าผมว่าหน้าตัวเมียเนี่ยนะจะยอมให้เขาด่าได้ยังไงเขาด่าก็ช่างเขานะลูกก็เลยย้อยว่าถ้าเขาถ้าผมถ้าเขาด่าพ่อว่าหน้าตัวเมียหรือผมเรียกพ่อว่าคนขี้ขาเนี่ยพ่อจะว่า ย, ยัางไงพ่อโกรธเลยนะพ่อเลยตบปากลูกเลยนะพ่อตบปากลูกเพราะว่าลูกไม่เชื่อเรื่องสันติวิธีนะอ้เ น, นี่ความยึดมั่นในสันติวิธีนี่ก็ทําให้ไม่สันติได้นะ ทั้งที่สอนลูกว่าต้องแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอย่าไปใช้ความรุนแรงแต่พอลูกไม่เชื่อสันติวิธีไ ม, ไ, มไม่เชื่อคำํำไม่เชื่อสิ่งที่พ่อสอนนี่พ่อโกรธเลยนะพ่อก็เลยตบลูกนะตบลูกเพราะลูกไม่เชื่อสันติวิธีนะก็เหมือนกับหลายคนนะทะเลาะไปตาว่าคนอื่นเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องอนัตตากูบอกเรื่องไงว่าอนัตตาอนัตตามึงไม่เชื่อ ตกเลยหรือด่าเลยอันนี้ก็เท่ากับฟ้องในตัวว่จริงก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้ยึดไม่ได้เข้าใจเรื่องอนัตตายจริงนะเพราะมันยังมีความยึดติดถือมั่นว่านี่ความคิดของกูทําไมมึงไม่พอใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของกูก็จะโกรธนะถึงแม้ว่าความคิดของกูมันจะเป็นความคิดที่สูงส่งก็ตามแต่มันก็สามารถจะทำให้คนเนี่ยทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่ อ, องตนได้ ยึดติดถือมาในสันติวิธีเนี่ยแต่ก็สามารถจ ะ, ะใช้ความรุนแรงแม้กระทั่งกับลูกได้นะพอเขาไม่เชื่อสันติวิธียึดติดในเรื่องอนาตาัตตายึดติดในธรรมายึดติดในความดีนะก็อาจจะนําไปสู่ความไม่ดีได้การกระทําที่ไม่ดีได้นะเมื่อเจอคนที่เขาขัดแยง้งเขาต่อต้านเขาเขาถกเถียงเขาโต้เถียงเรื่อง อนตตาเรื่องความไม่ยึดติดเตือมาในตัวกลวงกูลัวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะมันไม่ใช่ว่าจะจะ เ, เข้าใจได้ง่ายให้ตัวกิเลสหรือตัววิชาความหลงเนี่ยมันฉลาดมากนะมันสามารถจะหากินได้กับทุกอย่างสามารถจะเอาเอาธรรมะขั้นสูงเนี่ยมามาใช้เพื่อตอบสนองตัวมันนะหรือ มาอัมพรางตัวเองนะโดยในคราบของธรรมะก็ได้ทำช่วยในนามของอบุญกุศลทําช่วยในนามของศาสนาทําช่วยในนามของอนัตตานี่มันไม่ยากนะกิเลสมันทําได้นะตัวอวิชชาเนี่ยมันมันทำได้ได้ง่ายมากเลยเอ้นอย่าประมาทนะอย่าประมาทในในความสามารถในความฉลาดของกิเลส น, นะของอนัตตา แต่ตราบใดที่มันยังอยู่ในใจิตในใจเรานะียังเพิกถอนไม่ได้ก็ต้องเราต้องฉลาด ก, กว่ามันนะก็คือเอามันมาใช้ประโยชน์ให้ได้เอากิเลสมาใช้เอาเอามา n a เอาตัวตันหาทิฏฐิมาใช้นะในการพัฒนาตนจนกระทั่งสามารถที่จะละตันหามานาทิฏฐิได้อย่างที่เขาเรียกว่าอย่างที่มีภาษีว่าใช้ตันหารัตตันหานะอันนี้มันทําได้ถ้ามีสติพอเอาช้าเนี่ยพูด ก, กันท่อนี้เอากลับครับ